เราจะหลานพรท่านผู้มีจจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ หาที่พึ่งทางใจหาแสงสว่างให้แก่ชีวิตเพราะชีวิตของพวกเราในตอนนี้ยังมืดบอดอยู่ยังมองไม่เห็นทางที่จะนำพาให้เราได้ไปสู่ความสุขความเจริญให้เราได้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์จากความเสื่อมเสียต่างๆ ถ้าเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยินพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้แสงสว่างเหมือนกับเวลาที่เราเดินตอนกลางคืนถ้าเรามีไฟฉายเราก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างหน้าและข้างหลังของเราได้เราก็จะได้รู้ว่า มีอะไรที่เป็นอันตรายกับเราหรือไม่ถ้าพวกเราไม่มีพระธรรมคำสอนเป็นเครื่องนาพาชีวิตของพวกเราพวกเราก็เป็นเหมือนกับเดินในที่มืดโดยไม่มีไฟฉายนั่นเองดังนั้นเราต้องหาไฟฉายที่จำน่ายไฟฉายก็คือวัดวาอารามต่างๆ ที่ที่มีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมมีการแสดงธรรมมีการฟังเทศฟังธรรมที่นั่นเป็นที่เป็นที่รับไฟฉายเอาไปสอทางของชีวิตเพื่อที่เราจะได้เห็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเรานั่นเองสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นอันตราย เป็นโทษกับชีวิตของเรากับเป็นสิ่งที่พวกเราเห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเราจะมักจะต้องเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆเจอโทษอยู่เรื่อยๆสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นโทษคืออะไรก็คือลาภยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่เรียกว่าโลกกฐธรรมโล ก, กธรรมนี้มีอยู่สคู่ด้วยกันคู่ที่หนึ่งก็คือการเจริญราบและการเสื่อมราบคู่ที่สองก็คือการเจริญยศและการเสือญญญ่อมยศคู่ที่สาก็คือสรรเสริญและนินทา คู่ที่สก็คือความสุขและความทุกข์ที่เกิดจากการได้การเสียรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะไปนั่นเองนี่คือโลกธรรมแปที่ผู้คนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องพบจะต้องเผชิญจะต้องสัมผัสรับรู้ถ้าไม่มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า พวกเราก็จะสัมผัสรับรู้กับโลกกระำแปดด้วยความทุกข์ใจเพราะเราไม่เห็นส่วนที่ทำให้เราทุกข์ใจนันส่วนที่ทำให้เราทุกข์ใจคืออะไรก็คือความเสื่อมของโลกกรทำเหล่านี้นั่นเองพวกเรามักจะมองไม่เห็นความเสื่อมของลาก ความเสื่อมของยึความเสื่อมของสรรเสริญคือนิมทาและความเสื่อมทางความสุขทางตาหูจมูกปิ้งกายเรามักจะเห็นด้านเดียวก็คือเห็นด้านเจริญเวลาเราคิดถึงเงินทองให่เราจะคิดว่าเราจะได้เงินทองมาอยู่เรื่อยๆได้ลาบอยู่เรื่อยๆเจริญลาบอยู่เรื่อยๆ เช่นเราทำงานมีรายได้มีเงินเดือนเราก็คิดว่าเราจะมีเงินเดือนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเงินเดือนขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีเงินเดือนลดไม่มีเงินเดือนหมดแต่พอบอริษัทต้องปิดกิจการไปเราต้องตกงานตอนนั้นเราถึงใจเห็นว่าเงินเดือนมันก็มีหมดได้หรือถ้าไม่ปิดกิจการ ก็อาจจะต้องให้ลดเงินเดือนเพื่อที่จะทำให้บริษัทอยู่ได้นี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเพราะพุทธเจ้าจึงต้องมาสอนพวกเราให้มองว่าโลกธรรม ท, ทั้งสี่นี้คือราบยศสรรเสริญสุขมีการเจริญและมีการเสื่อมเป็นธรรมดาอย่าหลงเห็นว่าจะเป็น จะมีแต่ความเจริญเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดว่าเราจะมีเงินทองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีแสนมีล้านมีสิบล้านมีร้อยล้านอย่าไปคิดว่าเราจะมีตำแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าเราจะมีคนสรรเสริญเยินยอเราอยู่เรื่อยๆอย่าไปคิดว่าเราจะมีความสุขกับสิ่งตา่างๆ กับบุคคลต่างๆไปเรื่อยๆเพราะว่าของต่างๆในโลกนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายนี้ย่อมมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมเสื่อมกับทุกๆคนไม่ยกเว้นตอนนี้พวกเรากำลัองอยู่ในช่วงของความจเจริญอยู่ เพราะว่าร่างกายของเรายังมีอายุน้อยยังมีความเจริญเติบโตไปเรื่อยแต่ต่อไปเมื่อร่างกายของเราได้เจริญเติบโตเต็มที่แล้วต่อไปก็จะเริ่มมีการเสื่อมไปร่างกายก็จะเริ่มแก่ลงพอแก่ลงสุขภาพก็จะไม่แข็งแรงก็จะมีโรคภัยเพิ่มมากขึ้นไป เรื่อยๆจนถึงวาระสุดท้ายเมื่อไม่สามารถรักษาโครคภัยไข้เจ็บให้หายได้ร่างกายก็ต้องตายไปความสุขที่เราจะได้รับผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่สามารถทำได้เราก็จะมีแต่ความเศร้าสศก เศร้าซ้อยห อ, อยหอหเหงามีความว้าเวเพราะออกไปทั่งนอกไม่ได้ไม่สามารถพาสังขารร่างกายที่แก่ที่ชะานี้ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ต่อไปนี่ห ร, หรือสิ่งที่เราไม่เห็นกันพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรามันคิดถึงความเสื่อม ของสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆคิดว่ามีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมียศก็ต้องเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีมีทุกข์ตามมานี่คือความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่พวกเราหลงคิดว่าเป็นความสุขเพียงอย่างเดียว พอเราต้องสูญเสียสิ่งที่เราให้ความสุขกับเราเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจเราก็จะเกิดความทุกขึ้นมาเช่นเวลาเราสูญเสียคนที่เรารักไปสูญเสียสามีสูญเสียภรรยาสูญเสียบิดามารดาสูญเสียบุตรธิดาสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง สูญเสียยศตำแหน่งต่างๆ ต, ต้องเจอคนคารหานินทาว่ากล่าวไม่ดีต่างๆเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์เหล่านี้นั่นเองถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจคอยรับกับเหตุการณ์เหล่านี้เราจะไม่เสีย อ, อกเสียใจ เราจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นจะต้องเกิดความเสื่อมต่างๆถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจแล้วใจของเราจะมีเกราะคุ้มกันเหมือนกับการที่เราไปฉีดวัคซีนไว้ป้องกันโรคต่างๆถ้าร่างกายเราไม่มีวัคซีนไม่มีภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ เวลาเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายร่างกายของเราก็จะไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทำลายเชื้อโรคได้เชื้อโรคก็จะทำให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยฉันใดความทุกข์ใจของพวกเราความเสียใจความไม่สบายใจความวุ่นวายใจของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนโรค ที่มีเชื้อโรคเชื้อโรคของความทุกข์ใจคืออะไรก็คือความหลงนี่ความไม่รู้ว่ามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมพอเราได้รับการฉีดวัคซีนคือได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสอนใจให้เราคิดถึงความเสื่อมอยู่เรื่อยๆคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ มีเจริญก <remo> la ็ต้องมีเสื่อมมีเจริญราดก็ต้องมีเสื่อมรากมีเจริญยศก็ต้องมีการเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีเนียนทามีความสุขก็ต้องมีความทุกข์เพราะความสุขก็เสื่อมได้พอความสุขเสื่อมไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันที ดังนั้นเราต้องคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วเตรียมหาความสุขที่จะมาทดแทนความสุขต่างๆที่เราจะสูญไปมีความสุขอยู่อย่างหนึ่งที่จะไม่มีวันสูญจากเราไปก็คือความสุขใจนี้เองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามสร้างกัดขึ้นมา เพื่อที่เราจะได้มีเกาะคุ้มกันมีความสุขที่จะมารองรับเวลาที่เกิดความเสื่อมทางลาบยศสารเสริญสุขกันการสร้างความสุขทางใจนี้ก็เป็นเหมือนกับการสร้างบาหนาหนาไว้เวลาที่เราตกจากตึกสูงๆถ้าตกลงมามีบบารองรับ เราก็จะไม่เจ็บแต่ถ้าเราไม่สร้างบอกรองรับไว้เวลาที่เราตกจากตึกสูงลงมาร่างกายของเราก็จะต้องเจ็บปวดหรืออาจจะถึงตายได้เพราะไม่มีของนิ่มไว้รองรับมีแต่ของแข็งคือพื้นดินใจของพวกเราก็เหมือนกันตอนนี้ใจของพวกเราเหมือนขึ้นอยู่บนตึกสูง เวลาเรามีเงินมากๆนี่เหมือนกับเราขึ้นบนตึกสูงเวลาเรามีตำแหน่งสูงสูงนี่เหมือนกับเราขึ้นบนตึกสูงเวลาเรามีคนสรรเสริญเยินยอยกย่องเราอยู่ก็เหมือนกับเราอยู่บนตึกสูงเวลาเรามีความสุขกับสิ่งต่งตางๆกับบุคคลต่งตางๆก็เหมือนกับตอนที่เราอยู่บนตึกสูง แต่เวลาที่เราต้องเจอกับการสูญเสียสูญเสียลาบยศสูญเสียการสรรเสริญสูญเสียความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆเวลานั้นก็เหมือนกับตกลงมาจากตึกสูงๆถ้าเราไม่มีบอ่อรองรับไว้ร่างกายของเราก็จะต้องกระแทกกับพื้นดินอย่างแรง ก็จะทำให้เราเจ็บปวดรวดแล้าไปทั้งร่างกายและอาจจะถึงตายได้ใจของเราก็จะเป็นอย่างนั้นเวลาเราสูญเสียลาบยศเสริญสูญเสียสิ่งที่เรารักสูญเสียบุคคลที่เรารักไปสูญเสียสุขภาพร่างกายของเราไปเวลานั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ แต่ถ้าเราเตรียมเบาะไว้รองรับเตรียมความสุขอีกรูปแบบหนึ่งไว้รองรับคือความสุขใจเวลาเราสูญเสียความสุขทางลาบยศสารเสริญทางตาหูจหมูกลิ้นกายเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทรมานใจถ้าเรามีความสุขทางใจรองรับอยู่ความสุขทางใจนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเกิดจากการทำทานเกิดจากการเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกินความจำเป็นที่เราไม่ต้องใช้ที่เราไม่เดือดร้อนเวลาเราเสียไปให้สละเงินทองส่วนนี้ไปเพื่อจะได้มาสร้างความสุขใจมาสร้างบอกไว้รองรับ เวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเราจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจนี่คือเบาอชั้นที่หนึ่งก็คือทานเบาชั้นที่สองที่จะทำให้มีความหนาขึ้นไปอีกก็คือศีลศีลก็คือการไม่ทำบาปอย่าไปทำบาปเพราะว่าการทำบาปจะทำให้ใจเราทุกข์ เช่นเวลาเราสูญเสียเงินทองไปเราอย่าไปเอาเงินทองกลับคืนมาด้วยการทําบาเช่นเราอยากจะได้เงินคืนมาเร็วๆเราก็ไปโกงไปลักทรัพย์ถ้าทําอย่างนี้แทนที่จะดับความทุกข์กลับเพิ่มความทุกข์เริ่มขึ้นมากขึ้นไปแต่ถ้าเรารักษาศีลไว้ได้เวลาเราสูญเสียอะไรไป เราก็จะไม่ต้องไปทำบาปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปเพิ่มความทุกข์ให้กับใจของเรามากขึ้นดังนั้นเราต้องพยายามรักษาศีลห้าไว้ให้ได้คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปด่นโกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาถ้าเราสามารถรักษาศีลได้ เวลาเราเกิดความสูญเสียอย่างน้อยเราก็จะไม่ทําให้มันสูญมีทุกข์มากขึ้นจากการไปทำบาปทำกรรมนี่คือข้อที่สองการรักษาการสร้างความสุขใจให้กับเราก็คือการไม่ทําบาปแล้วข้อที่สาก็คือให้เราฝึกทาใจให้สงบเรียกว่าภาวนา ภาวนานี้ก็คือการควบคุมความคิดของเราใจของเราที่ไม่มีความสุขไม่มีความสงบเพราะใจของเราไม่ยอมหยุดคิดกันเราคิดกันตั้งแต่ตื่นจนหลับและเวลาหลับเราก็คิดต่อเวลาเราฝันนี่ก็เป็นความคิดของเราเท่านั้นเวลาคิดแล้วก็จะทําให้เราเกิดอารมณ์ว้าวุ่นขุ่นนัว เกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจเกิดความวิตกกังวลต่างๆนานาวิตกว่ากังวลว่าเงินทองของเราจะพอใช้หรือไม่วิตกว่าตาแหน่งของเรานี้จะอยู่กับเราไปนานสักเท่าไหร่วิตกว่าคนที่เคยสรรเสริญเยินยอเราเขาจะเปลี่ยนมาด่าเราเมื่อไหร่วิตกถึงการสูญเสียความสุข ทางตาหูจมูกมิ้นกายไปถ้าเราไม่คิดความวิตกกต่างๆก็จะไม่มีถ้าเราควบคุมความคิดด้วยการใช้การบริกรรมพุทธโธพุทธโธถ้าเราบริกรรมพุทธโธเราก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอเราไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจของเราก็จะว่างจะเย็นจะสบายจะมีความสุขนี่คือการ สร้างความสุขทางใจด้วยการหยุดความคิดถ้าเราหยุดความคิดได้เวลาเราสูญเสียอะไรเราก็อย่าไปคิดถึงมันสูญเสียเงินทองไปก็อย่าไปคิดถึงมันพอไม่คิดถึงมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันสูญเสียลาบยศไปถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไม่ไปคิดถึงคำกลรหนินทาว่าเก่า เราก็จะไม่ทุกข์กับการฆารหาหนินทาถ้าเราไม่พิคิดถึงการสูญเสียของสิ่งที่เรารักของบุคคลที่เรารักไปเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือวิธีสร้างความสุขทางใจไว้มารองรับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เราต้องสูญเสียลากยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกิ่างกาย ถ้าเรารู้จักควบคุมความคิดทำใจให้สงบไม่ให้คิดไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เราสูญเสียไปไม่ให้คิดอยากได้สิ่งต่างๆให้เราปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมตามธรรมชาติตามกำลังของเราถ้าเราหาใหม่ได้ก็หาไปถ้าหาใหม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราจะไม่เดือดร้อนไม่มีลาบยศเสริญไม่มีความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเราก็อยู่ได้เราก็มีความสุขได้เพราะเรามีความสุขที่เกิดจากการทำทางมีความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลมีความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบดับงนั้นขอให้พวกเรามา สร้างความสุขแบบใหม่ดีกว่าเพราะความสุขแบบนี้เราไม่ต้องมีวันสูญเสียเพราะจะอยู่กับเราไปตลอดเพราะเราจะรักษามันไว้ได้แต่ความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เรารักษาไม่ได้เวลาเขาจะจากเราไปเราห้ามเขาไม่ได้แต่ความสุข ที่เกิดจากการทำทานรักษาศีลเกิดจากการภาวนานี้เรารักษาไว้ได้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดถึงแม้จะไม่มีร่างกายความสุขอันนี้ก็ยังจะอยู่กับเราความสุขอันนี้แหละที่จะทําให้เราไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆที่ทําให้เราไปถึงพระนิพพานได้อยู่ที่ความสุขใจนี้เพียงอย่างเดียว ดังนั้นขอให้พวกเราอย่าไปหลงกับการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกริ้นกายมากจนเกินไปจนลืมการหาความสุขทางใจลืมการทำบุญทำทานลืมการรักษาศีลลืมการภาวนาที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงที่เป็นของเราที่จะอยู่กับเรา ที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับเวลาที่เราจะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ช้าก็เร็วเราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะร่างกายของเรามันไม่ใช่เป็นของถาวรมันอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งอาจจะไม่ถึงแก่ก็ได้คนบางคนนี่อายุไม่ทันแก่ก็ตายกันตายตั้งแต่อายุ 1ขวบก็มีสิบขวบก็มี2ี่สบขวบก็มี30 ส, สขวบก็มี4ี่ ส, สบขวบก็มีดังนั้นขอให้เราเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าลืมสร้างความสุขที่จะมาคุ้มครองใจของเราไม่ให้ต้องมาเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องมาทรมานใจไม่ต้องมาเศร้าส้อยหงอยหเหงา เวลาที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปถ้าเราคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้มีความศรัทธามีความยินดีที่จะทำบุญทำทานให้มากขึ้นที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์มากขึ้นที่จะภาวนาทำใจให้สงบมากขึ้นถ้าเราทำไปบ่อยๆทำไปมากๆแล้ว ต่อไปเราจะมีความสุขใจอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่เดือดร้อนเวลาเกิดการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญสุขเราจะมีความสุขที่ดีกว่าไว้รักษาใจเราไว้ดูแลใจของเราไม่ให้เราต้องเศร้าโศกเสียใจไม่ให้เราต้องวิตกกังวลหวาดกลัวกับการที่เราจะต้องสูญเสีย จะต้องพัดพาจากสิ่งต่างๆไปนี่แหละคือแสงสว่างที่จะพาชีวิตของเราให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์อยู่ห่างไกลจากความวุ่นวายใจต่างๆให้เราได้อยู่กับความสุขอยู่กับความสบายใจไปตลอดขอให้พวกเราจงนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่า โลกธรรม ท, ที่เราได้สัมผัสเผชิญอยู่นี้ไม่มีการเจริญเพียงอย่างเดียวลาบยศสารเสริญสุขนี้ไม่เจริญอย่างเดียวมีการเสื่อมมีการหมดไปได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าหมดเร็วหรือหมดช้าเท่านั้นแต่จะต้องเสื่อมแน่ๆจะต้องหมดแน่ๆเราจึงต้องเตรียมเอาเบาะมารองรับไว้คือเอาความสุขใจ มาลองรับไว้เวลาที่เราต้องสูญเสียความสุขทางลาบยศสรรเสริญไปเราต้องทำทาบ่อยๆรักษาศีลมากๆภาวนาให้เต็มที่แล้วเราจะได้ไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหวไม่วิตกไม่กังวลเวลาที่เกิดการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญสุขไปยังขอฝ่ากเรื่องของกายมา หาไฟฉายมาหาแสงสว่างเพื่อจะได้นำพาชีวิตของพวกเราให้ได้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงให้เราได้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายใจทั้งหลายต่อไปการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลัตนตรยัยและบุญกุศล